ไทคอร์เรดิโอฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณพี่ 3 แล้ว 3 แล้ว 3 แล้วก็เป็นเรื่องคุยครับสวัสดีจ้า ยังไม่สวัสดีครับครับครับคือสิน้องน้ําหวานไงน้องน้ําหวานน้ําหวานอืมแต่คนนี้ก็อ่านี่ก็คือน้อง บ่อยกิจกรรมดีก็อ่ะครับอ๋อแสดงว่าต้องมีซัมติงซัมวันอะไรสักอย่าง ถวายนี่ก็คือ เอาเอาเข่งเอากระบุงบ้า มีใครค่อยเอาอะไรแล้วเดี๋ยวพี่อยู่ครับอ่าคุณสอนๆอ๋อมีปัญหากับแฟน <G TA> ก็คือก็ก็คือไม่ได้อ่าเค้าก็จะถามว่าพี่ อ่ามันมีอยู่ ala, 2, 2>, 2> เรื่องที่พอดีเกิดใน คุยเรื่องถามถึงเพื่อนเก่าคนนึงซึ่งซึ่งเออมันไปแฟน แม่ก็บอกว่าโอเคจะแปงเพศหรือ เงินในฐานนี้ด้วยเนี่ยโอเคเราจะเปิดเผยแต่ว่ากับที่บ้านเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไม่เปิด ใช่ก็คือไม่ได้เจอแต่เค้าก็เออรูปร่าง 1 แกมันแปลงไม่ได้ คือคนนึงที่อยู่ที่ที่ที่ทํางาน เอ่อจะแปลเปรยคืออาจจะไม่ได้เป็น ก็คือครับก็คือก็แต่ว่าพ่อมหุ่นอย่างเค้าพูด คือผมจะคบกับเพื่อนแต่อย่างที่บอกใช่อ๋อ นั่นแหละตอนนั้นแบบ <superv ising> คือในครอบยังไม่แต่งงานแล้วก็ เรื่องกันเนเยอะเกินใช่มันข้ามขั้นไปอยู่ใช่ใช่รู้ แต่ก็คือแกก็จะเป็นคนที่พอจะรัก แต่ก็ไม่อืมเข้าใจอ่าไปเรื่องผู้ชายที่พี่โหนอยากรู้อ่าเรื่องผู้ชายอยากจะ ภารกิจถ้าดีกว่าก็คือภารกิจแล้วแต่ว่าเอ่อเป็นงานที่สำนักงานแล้วมัน นี่คุยกันเรื่องเนี้ยก็คุ้นๆกันเรื่องเค้าคุยกี่คนตรงนั้น แล้วเรารู้ด้วยว่าชื่อสถานที่นั้นน่ะอ่าโอเคคุย แต่คิดคือว่าเรานึกว่าเราต้องดิ <l iments> <laughs> ก็ตอนนั้นแบบครับพี่เหมือนพูดเค้าพูด อย่ายังไม่เปิดยังแอปเต็มเยอะไม่แต่ก็อย่างที่คุณโชคโชน ก็ก็คนนึงจํานวนไม่ เออสนามกีฬาไปอย่าง ใช่มั้ยอาจจะไปเป็นแนว เออเราบอกเนี่ยมันเออไปตรงนั้นสิ ผมก็เป็นในสถาน ที่ 2 ที่ 3 ที่ <c oughs> 2 เดี๋ยวๆโอเคเด น้องบอกว่าจะไม่รอช้านะโอ๊ยมันไม่รอช้าครับสุรีย์ฮ้อน มันขึ้นอยู่กับหน้าตาด้วยอย่างเออ นะแอบงามเก็บอาการนิดนึงใช่ค่ะครั้งหน้า ไม่อย่างงี้นะ แนะนำหน่อยซิเนี่ยอยากจะคือคุณ จะทําไม่เคยไปเลยกันบ้างผมไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่บอกขีด 2ๆ2 เออแบบทําหน้าเอา เออฉะนั้นผมก็ยังว่าไอ้ไอ้สาวหน้านี่คือสุภกิตินุริดิ ไม่จริงกับหลไม่ไม่ๆใช่หมายถึงซาวน่าในฟิตเนสนี่ก็ว่า มันก็เป็นปกติถ้าเกิดเขาจะคุยกันก็เหมือนอย่างที่พี่อธิบายเงี้ยก็เหมือน ที่เค้ามีอะไรแบบว่าโยโกกิถ้าชาวหน้า เข้าประเด็นเอ่อไอ้เนี่ยเหรอเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเหรอ โทรศัพท์นานครับพ่อนะอ่าขอบคุณมากนะคุณโชคชลสวัสดีจ้า เธอไม่ได้เออดูสิผู้ชายตั้งเลยเออเออน้องตั้งครับ ก็อย่างคุณแม่ไง 12 มิถุนายนนะครับตั้งแต่ 13:00 น. สิริราชครับก็ไม่ๆ นะเขา 3 ขอหลบเบี่ยงเบนใช่มั้ยพูดอย่างงี้ จากสายภายในนี้ขึ้นอยู่ 3-6 ปีเนี่ยพ่อควรใกล้ชิด เขา 16 เอ้ย 6 โทษ 6 12 ปีเนี่ยก็ควรที่จะให้ นี่แล้วคุณต้องการป้องกันไงใช่คุณอยากป้อง เกเทยมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเค้า แต่ว่าถ้าเกิดในกาลีของที่เกิดเป็นชายรัก ยังไงก็แล้วแต่คือยังยังใช่อยู่ดีครับใช่เพราะ อืมอันนี้หนูคลิกใช่มั้ยเอออาร์กัดครับ เออโทษทีเนี่ยมันวันนี้ประเด็นอะไรอ่ะครับอ่าคุณเอกไม่ใช่อ๋อแล้วโรงงานนรกเหรอคะ เออไม่มีครับไม่มีเลยหรอเพื่อนผมซื่อๆนะครับมีแต่ซื่อบื้อใช่มั้ยไม่อือไม่ เนี่ยมันต้องมีวัสดุก่อสร้างๆๆครับเราไปแค่ครั้งเดียว ใช้มาอ่าเออไหนๆก็ไปสถานีเบต้าอยู่แบบว่าต้องทําใจอยู่นิดนึงไม่ก็ คุยมาคุยมาเรื่องอย่างงั้นเยอะๆคือโดนลุกเหมือนโดนลุกถามนู่นถามนี่มาเยอะ อาทิสถานในที่ซาวน่าไม่มีครับไม่เคยอ๋อตกใจเออๆอะไร เขาเค้าถามในในในอยู่ตรงไหนเค้าถามในในทางทางอินเทอร์เน็ต น้องไปน้องน้องไม่ชอบน้องก็เซโน่ไปปกติแต่มันก็จะจบไปก็ งงคำถามแบบนี้อ่าไม่สิงงแต่ไม่รู้จะตอบยังไงเค้าเค้าบอกเค้านี่เรา แล้แล้วเดี๋ยวเป็นคําถามจิจุดเลยยังไม่พร้อมแสดงว่าไม่ เป็นรู้ว่าใครอ่ะเออโอ้โอ้อู้ตายมีนามีนาใช่เออจะ ในหูเค้าเรียกอะไรในหูมีในเมื่อเป็นสงสัยนะทําอย่างอยู่ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไคลรายการครับอ๋ออ้าวแล้วแกะเมงโก้เมื่อ 1 อ๋ออืมตวงหน่อยก็เดี๋ยว อ่าแก๊กยุ่ง แต่เราไอ้ชื่อยื่นล่ะมันชื่ออ๋อโอเคห้อง อ่ะขอบคุณมากนะครับคุณเอกมา ใจ ماييي دايي، ميگلو ميروپاي، غلوكه قوام جام don't جسّت <Darwin> <cuiingo>, take it take it do a อ้าวเบรกสุดท้ายแล้วครับการแข่งกันแบงค์คอร์เดลอ๋อ วินครับคุณโอเคคุณครับอ๋อแถวบางแคคุณ เออปีละครั้งนี่ครับโอ้โหแล้วฟังคุณขอโควต้ารายการอ๋อฟังอยู่เออก็คิดถึงอ๋อ ช่วงที่ผ่านมาคือยัง ก็ไปทําอะไรเค้ามีใช่ไม่ใช่เค้าก็พูดเค้าก็พยายามจะ ขำด้วยขำเนี่ยโอ้โห ก็ว่าอ๋อๆเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงคนที่อ่ะคน ตอนนี้เหมือนเค้ารักสนุกก็ 24 เขาเอ่อระบินอ๋อตอน 10 17 แล้ว 17 แลแลแลคน 24 คือที่ๆคน ในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าง Facebook ก็ ternary app อะไรอย่างเงี้ยครับเออๆว่าเค้าเป็นแบบนี้หรือๆอะไร ครับครับแล้วเขาบอกมาว่ายังไงว่าเค้าบอกมาว่ายังไงว่าเอ่อพี่เจ้าอ๋อแล้วเราก็คิดว่า เออตอนนี้เหมือนว่าใช่ละเกี่ยวกับ TI อยู่อ่ะโอ้โหอืมประมาณว่า ลึกอีกนิดนึงคืออะไรก็ก็เอ่อก็ใช่เออก็เลยยังไม่รู้ว่าเขา ถึงขนาดเป็นมากๆอ่ะนะ ก็น่ะไม่แน่ใจหรอกอ้าวมันขึ้นว่ากระเป๋าแล้วล่ะเออ คนๆนึงที่เค้าว่าอย่างไปคนคนนี้คนนี้อ๋อ ยังไม่ต้องทําใจเราเออตัดใจไปเออเนาะจริงโถพูด เรียนไว้ 20 ก็ได้เนี่ยคืออยากให้ ก็กําลัง 17 เราเพื่อนที่แบบคุยกันได้ด้วย คนนี้ก็เป็นก็วิน ลองพอพอจะรู้เออพอในห้อง 3 3 อะไร 32 แล้ว 20 กว่าฉันว่าแล้วไม่ไม่คือ สาวไปอ๋อก็ 3 4 3 4 คนนะ 3 4 คนที่แบบโตขึ้นเนี่ยชัวร์ๆมี 30 กว่าคนใช่มั้ยมี 30 คนสาวมากเพราะฉะนั้นก็คนจากการ 7 7 ก็ 25 ก็จะอีก 25 25 ก็ 25 แอบ 12 คน 12 คน อีก 25 ก็จะอาจจะเป็นผัวของอี 12 กว่าๆนี่ดี อ๋อก็ก็ไม่มีก็ไม่มีอ่ะครับก็ตายแล้วเธอต้อง คือขอบเพื่อนแฟนเนี่ยไม่ค่อยชอบอ๋อมันใกล้มัน ดูมีความน่าโอ้โหในโรงเรียนนะเออน่าสนใจน่า ตอนนี้เขาเป็นครูใหม่ๆเงี้ยไม่คิดว่าตํารวจจะเป็นแต่ว่าโอ้โหอาจารย์ออกสาวมั้ยครับแต่เขาก็ปล่อย เอ่ออาจารย์ใหญ่เงี้ยหรืออาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเค้ามีความคิด แม่เขาบอกว่าแม่เขารับได้หมดว่าเป็นอะไรก็นะวินไป ที่อยากเอออยากเนี่ย โรงเรียนมี 2 คนที่มันจะตกกันคือ แล้วอาจารย์ก็มามาโทรเข้ามาได้อะไร เพราะว่าโรงเรียนเค้ายังไม่ได้ยาเลยแล้วตัวเองเตรียมแผน สวัสดีครับครับครับอันครับฮัลโหลครับจ้ะครับมาไงคุณครับครับคุณประเด็นอะไรเอ่ยอ๋อประเด็นประเด็นแบบนี้คงคงไม่มีครับอ๋อเพื่อน แฟนนี่ก็คือแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือคือสนิทปุ๊บเนี่ยจับกินจับนี่อะไร เอ่อแข่งหักขาจะกินจะกินนั่นแหละประมาณนั้นอ้าคุณแม่กลรอบกลรอบอะไร อีกคนแชร์อยู่ครับเออพอดีกระทบไปน้องแขมแล้วเอออ่าถึงนิดนึงก็อ่ะ อ๋อไม่ได้ต้องให้จบต้องให้จบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อคุณจะเลือก เสร็จแล้วเพื่อนอืมเพิ่น 3อ3 อ๋อแต่เอออืมผมเออก็ไปคบกับเพื่อนแฟนไม่ ถ้าผมเอ่อให้ไปก็ให้หมดนะฮะแต่ค่ะเด็ดเออโอเคเค้าเป็นคน 12:00 โอเค แล้วมียังอื่นอีกมั้ยที่อยากจะอัปเดตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ ตำแหน่งเค้าอือแล้วแบบคล้องว่างานเค้าว่าเป็นๆก็ยังยังโอเคผมอือปุ๊บอีก 2-2 ชั่วโมงก็ อารมณ์เดิมผมก็รอๆแป๊บกลางวันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมั่นใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ อ่าอ่ะก็แล้วรู้ตัวอยู่แล้วนี่ว่าเรามองลบในอย่างมันมันก็หน่อย เราอาจจะแบบผ่านๆตอนนี้ปัญหาของเขาจริงๆมันคืออีครับอืมทําใจๆก็ได้ ยิ่งงีงาวเข้าไปอีกเขายิ่งห่างไปอีกความสัมพันธ์มันจะ ไหววันนี้ว่างมั้ยเออวันผมกลัวคํามันจะหลุดออกปากผมไงคือเหมือนเราเอาอินดิเพนเดนท์แล้วไง คิดกับต้องต้องสร้างความสุขของตัวเองแล้วล่ะอืมว่าเธอๆรู้ มันเป็นอย่างงี้ความอดทนแต่ มันเอ่อแทบว่าผมทํางานผมทํางานคือๆครั้งครับผมแบกของสะพายฟิชเนี่ยแหละ อือแต่เราพอเราเราจะไม่มีตรงนี้ให้เราเลยใช่มั้ย เหมือนผมผมอยากได้อะไรจากเขาบ้างอย่างนั้นใช่มั้ยเออคือเราคาดหวังพอเราเริ่ม ก็แบบนั้นอ่าไม่แล้วก็ทําระดับนึงแล้วกัน <Female> คือทุกคนมันจะมีวงกลมของตัวเองเออเออเออก็พยายามใช่ เราเราจะรู้ตารางงานๆแต่จะเออเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ คือมันไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้เจอกันแล้วเธอไม่ได้คุยกัน รู้สึกด้วยแหละว่ามากเพราะว่าตัวเออโอเคอือเออ ก็เป็นสารสุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้แล้วในคืนวันอาทิตย์ เลยนะพี่มุเพชรทายแล้ว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 I remind you I'm so hurt with this boy. I'm just playing. Come here, baby. Hope could you like me if you hate me? My could swear. Hey, it's Bullet the right you know now with DJ Me. This stuff. Yeah. Get It out of mind. And this one. love, we can devour. You do. thing for me. To business.